มาดูในบทสนิธีต่อนะครับข้อที่อะไรเจ็ดสิบเจ็ดนะครับหน้าหนึ่งวปดสิบห้านะพิสษรรูปใดจงใจขอความรำคาความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่พิสษุเช่นพูดว่าช้ารอยท่านดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้วกระมังด้วยความประสงว่า ความไม่ผาสุกจักมีแกเธอแม้เพียงชั่วครู่เพราะความสงสัยนี้กระทำความประสงค์เช่นนี้นั่นเทียวให้เป็นปัจจัยไม่ใช่อย่างอื่นคือพูดแน่ด้วยปรารถนาดีต้องอาบัตปาจิตตินี่ครับ เ, <c oughs> เป็นการพูดนะพูดแกล้งเขานะครับเพื่อจะใเขาเกิดความลาคาความไม่สบายใจขึ้นนะ มีความเหมาสมอย่างนี้นะก็เลยเป็นผู้นะครับอันนี้ถ้ายกตัวอย่างเนี่ยชะลอยชรลอยนี่แปลว่า <c oughs> สงสัย <c oughs> สงสั ย, <c oughs> เ, ย เ, เห็นจากเห็นทีท่านจะไป <c oughs> ดื่มหน้าเมามาแล้วเนี่ยได้กินเหล้าเลยเนี่ยสงสัยท่านไปดื่มเหล้ามาบ้งนะครับ <c oughs> หรือว่าเรื่องนี้ก็ได้นะวันนั้นน่ะท่านไปลาเห็นไหม <c oughs> และผลอะไรไปบ้างในย่ามอังซื้อบริษัมานั่นะข่านดาพาฟีมาแล้วมั่งน่ะ หลบหนีพาสีหรือเปล่าเนี่ยสงสัยท่านจะหลบหนีพาสีแล้วนะเนี่ยท่านได้มูลค่านาปราชิดเลยนะท่านแล้วก็พูดไปนะครับเพื่อเขาเกิดความไม่สบายใจนะกับกุ้มฟุ้งซ่านนะครับสงสัยนะเครียดเลยเนี่ยมีความประสองค์อย่างนี้นะครับแล้วก็พูดออกไปก็ตบัดไปดีในสิกขาบนนี้นะครับอ<ม>ันนี้นะก็เรื่องเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสงสัยท่านบัวชตอนอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีมั้งนะครับ เนี่ยเรื่องไรที่เราคิดว่าที่คิดว่าเนี่ยเขาจะไม่ไม่สบายใจนะก็ไปโจกเรื่องนั้นนะครับผมว่าท่านต้องสังฆดิเศตแล้วนะถ้ารู้ไหมท่านอสติเคยเคลื่อนไหมน่าต้องมีเจตนาแน่ๆอะไรไม่มีเจตนาเราไม่เคลื่อนได้ยังไงฉัว่าท่านต้องไปแล้วไป <laughs> แลกล้พูดนะครับให้เขาไม่สบายใจบอกผมฝันผมไม่รู้เรื่องเนี่ยก็พยายามพูดเหมือนกับคนที่แย่เด็กไนหะใครเห็นไหม mm hmm. แย่เด็กให้เด็ก ล้อห้าอะไรอย่างเี้นะครับเนี่ยก็ไปพูดเยี่ยพูดว่าเพื่อจะให้เขาแบบเกิดความไม่สมานใจขึ้นนะครับก็ตามปทบาทตีนะครับนี่แต่ถ้าเราสงสัยว่าเขาจะต้องอานบันนั่นนะถ้าก็พูดแนะนําประโยชน์ดีๆนะครับให้เขา้าใจนี้ไม่ต้องอาบัต น, นะครับน้องว่านี้มาดูต้นหญ้าที่ีาใส่นี่ป้าะาวป้าคี้แกล้งเด็กจริง น, นะ เรื่องพระจักรพรรดนะครับโดยสมัยนั้นพุมธมภาพพระเจ้าประทําอยู่หนพระเชตวันอารามขอนาชามบิณกะห้าบารีเทพบรรพ์สามวันถีครั้งนั้นประจักรพรรดิกล้างก่อาความล้มพาญให้แก่พระสตรศักด์วัคคีด้วยพูดว่าอาวุโสทั้งหลายพุมธมภาพจเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบดไว้ว่าสมมองไม่พึงอผสมบทบุคคลมีอายุหย่อนยี่สิบปีใช่ไหมพระเจ้ามีสิกขาบดไว้แล้วนะ ดังนี้ก็พวกท่านมีอายุหย่อนยี่สิบปีปสมบทแล้วพวกท่านเป็นรูปสัมพันธของพวกเรากระมังสงสัยไม่เป็นผ้าเนี่ยโอ้เป็นรูสัมพันธเป็นเนยนั่นเนี่ยพัะสุนทสมคขขีเหล่านั้นร้องไห้นะครับทุกแกงว่ก็ร้อ ง, หนะองหไห้ครับเป็นเด็กนะครับที่อยู่ทั้งหลายจึงถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านร้องไห้ทําไม พระเ้าสวัสดีตอบว่าอาวุโสทั้งหลาก็จะบัคคีเหล่านี้ใกล้ก่อความลงมคานให้แก่ผู้ผมนะครับทบูมังน้อยคนเดียวแต่ก็แข่งสถิติเตรียมปุถานาแล้วก็ตามยระเจ้าทรงสร้างนะครับพุทโธทรงสอบถามทรงติีเตียมไปจะบัคคีแล้วก็มีสิขาบทนี้ขึ้นมาท่านก็ยกตัวอย่างก่อความลงมคานยังไงนะครับมันต้นว่าชาลอยถ้ามีอายุหย่อนยี่สิบฝรผสมบทแล้ว ชล อ, อยท่านบริโภค อ, อาหารในเวลาวิกาอุ๊สงสัยท่านีะกินอาหารเวลาวิกาแล้วมั้งวันน้นผมว่าเลยแลนั่นน่ะนาฬิกา ร, ระแค่ไทยเอาแน่ไม่ได้นะท่านมันต้องเอางาแดงหรือว่าท่านอา่ะฉันอาหารเลยเวลามาแล้วก็พยามแกล้งเขาครับชลอยท่านหนึ่งน้ำมองแล้วชล อ, อยท่านนั่งในที่เล่ากับมาตุคานแล้วดังนี้เป็นต้นต้องบัดปาติดตีนี่นะ ก็มาดูคำที่มาดูตงขาเลยอันนี้ไม่ต้องดีรอเลยนะ <c oughs> หน้าสองสสิบเอข้อที่เจ็ดนะครับอธิบายสันจิตจากสิกขาบทพึงสราธอธิบายในสิกขาบทที่เจ็ดต่อไปคำว่าคูจังปัทะเธอยะความว่าเมื่อพิสูกราวว่ารู้สึกว่าท่านจะบวชในเวลาที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปี มาพูดกับผมอย่งนี้ผมก็ไม่สงสัยหรอกพูดยังผมก็ไม่สงสัยใช่ไหมพันใจก็ไม่สงสัยใช่ไหมครับเพราหมดอายุเยอะนะนี่นะเขาจะแกล้งเด็กคนนียังบอกตั้งแต่อายุน้อยเป็นต้นแล้วยังความรังเกียจให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อไม่มีเหตุที่จะให้เกิดความรังเกียจอย่างนั้นอืมนะครับ ก็คือไม่มีเรื่องนั่นจริงๆแล้วเขไปพูดใกล้ครับครับเพิกถูกด้วยก่อควารมรำคาญให้เกิดขึ้นต้อบัตรปาจิตตีทุกคําพูดเลยนะครับประอาบัตรเป็นคําพูดกันกคําเลยนะครับแ <c oughs> ห่งเกิดและประเภทอาบัตรนะครับสิขาบทนี้คุณพราเจ้าทรงปราบพิสุชปะคีนในเมืองสาวัถีบัญญัติไว้แลเพราะเหตุคือการก่อควารมรำคาญให้เกิดขึ้นแก่พิสุอื่น เป็นสาธารณาบัญญัตพพิสุนีก็มีนะครับนี่นะอ ะ, อะไรนะอนามติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครต้องแกล้งพูดเองนะติกาปาจิตตินะครับเป็นอุปสัมบันเข้าใจสงสัยสมคันผิดต้องบัตทั้งนั้นนะครับประพฤติการอุปสัมบันเป็นติกะทุกกฎโอ้แกล้งว่าเนยก็ได้นะก็เป็นบัตทุกกฎเบาลงไปนะครับต้องปรับไม้เครื่องเสียงให้ปัรนะับ เสียงมันบาด้วยนต้องใช้เสียงแรงเสียงต่ำนะครับมีปัญหานะรั <c oughs> อานาบันนะครับที่สุดไม่ต้องอาบัตก็ต่อเมื่อไม่มีความประสงค์จะก่อให้เกิดความทุขทรานกล่าวอย่างนั้นเพราะมุ่งประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็พูดนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะเราหวังดีเขะต้องการให้เขาออกจากอาบัต น, นะ ดรให้เขาไปไ ป, ไปชําระไปเคลียให้ดีนะวมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนั้นนะครับไม่มีความปสงค์ร้ายอันนี้ไม่ใช่ไหมและพิสู่บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตองอาบัต น, นะครับสิคามบนี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งเป็นอุปสัมบันเป็นพระนะครับสองต้องการความไม่สํารานเกี่ยวกับสิอื่นนะครับสามก่อความราคาญไม่เกิดขึ้นแค่เขาองค์สามนะเขาจะรำคาญหรือไม่ราคาญไม่เกี่ยวนะครับ พวกองสาลก็ต้องหมดไปตีแนละ้วสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับสิขาบทที่ผ่านมาเลยใช่ไหมการจิตวาจาจิตกายวาจาจิตนะครับจบการที่บายสันจิตจากสิขาบทแล้วแต่ถ้าเราแกล้งก็ยังอยู่จนจบเล้นแกล้งขอความนรู้มาแก้งยั่วโทรศาพท์เข้าอย่างนี้เนะผมพูดดีกว่าที่เราแกสนใจมาที่นี่เนี้วก็พูดกัน กรรมวัจจานิสวดไตรยศีก็ไม่ผูกเลยผมก็สงสัยนะมันไม่ได้ว่าผมมสงสัยเออเมื่อ่อนนี้ผมไม่ได้มาที่ผมตรงนีไม่สงสัยพอผมมาท็นนี่เออสะดวกับที่นี้เท่าไหร่ยิ่งผมมาเจอกั้วว่าท่านเองท่านเงเขาพูดว่าหัผมนี่หัวได่นหัวเนี้ยผมสงสัยผมก็จึง ครับผมก็คิดที่ออกเลยครับผมก็ขมิ้นก็เป็นง้จริงๆเช่นสาดีอะไรพวกนี้นะก็บรรลุหลายครั้งเขาสงสัยจริงๆนะสงสารก็สึกบวมใหม่โอ้ยถ้าเขาไม่สึกบวมสงสัยคนสาเยอะนะครับนี่ยสารเยอะนะถ้าผมมีฐานะดีผมก็เจอไปแค่ นะครับที่มันจะส่งข้อเอท่าเป็นอย่างนี้นะใกล้คนขี้โกรนะแล้วก็แกล้งเขาดิแกล้งพูดให้เขาแบบโกรธเย่อๆอย่างนี้เลยเครับมันจะไปโดน ข, ข้อนี้หรือเปล่านี่นะเด็กเกิดฟืนเป็นไฟอ่ครับถือว่าเ้าโกรธดแย่ห น, น้เราก็มีในใจเราเราทําไปไม่โกรธเลยแต่เราจะด่าอ้๊อฟอ๊อนี่มันก็มาเข้ดาด่าใช่ไหมมันเข้ดาด่าครับหรือว่ามันถึงไม่ถึงกระดานแต่ก็ ยิ่งยั่ให้เขาเกิดปันหาแค่กอเยอะๆเนี่ยถ้าจะไปข้าข้อไหนอะไรเนี่ยเนี่ยข้าข้อไหนต้องหาคอยได้ครับคงไม่สา่ไหอย่างเช่อว่าถ้าแกเป็นคนขี้บ่นใช่ไมเจออะไรสกปรกรอกหน่อยไม่ได้ห่ะยิ่งบ่นนะแล้วก็ยิ่งทำให้มันลอกขึ้นไปหรือว่าแกชอบอะไรเงี้ยเงี่ย แล้วก็เท้าเสียงดังให้เกินลมคายกรดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีนั่นเป็นอุปสรนั้นครับอันนี้เราสมข้ออะไรเป็นข้อไหนอันนี้ก็ข้อหนครับไนะทุกคนอดียนได้สมเรียนข้าตรงไหนก็ไม่ได้สมไม่ใด้ตีข้อนะแต่พูดยั่วอแ้ยนข้อลมคายอืมรีนข้อลมคายข้าจิตใ ใจเตะรัดคมันยกตัวอย่างมนย้ตัวอย่างยกตัวอย่างว่ามันจะพูนยังไงพูดอย่างนั้นแ็ได้รังคซ้ๆๆอีกเงี้แล้วก็เบือทรำรำอารมณ์ออารมณ์ไมัมไม่ใช่เขาบอกว่าหรือว่าเขาพูดอย่างนี้ทำมใครก็ไม่รู้วางอะไรกครก็ไม่รู้เื่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางให้ จะเอามาเทล่าให้สกปกเต็มไหมดผู้ใหญ่นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะขอเป็นกองเลยแล้วก็ทํอายดสายดูคแล้วก็อบยย่อดเยะๆเกนั้น่นนี่กอนย่าเอมน่เข้าได้นะเออก่อความรำคาญครับเาได้้คนเข้าเข้าไ้ครับไปครับ 那我们。